ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องทำงานหนักเพื่อโลกกันหะชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่21กรกฎาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ วันนี้ฟังเรื่องชาดกชื่อว่าทำงานหนักเพื่อโลกทำงานหนักแต่จริงๆเรื่องเบาอนะเรื่องไม่ต้องคิดมากเหมือนเมื่อวานนี้ก็อย่างเยี่ยนนะเราศึกษาธรรมะมันก็เหมือนกับดูหนังอะ่ะบางทีก็ดูหนังตลกบ้างสนุกบ้างบางทีก็หนังชีวิตบางทีก็หนังโอ้ห น, นังบู คนเราเพราะว่าความเป็นจริงของชีวิตคนเราเนี่ยมันมันไม่ได้เจออย่างเดียวไงหาน้อยคนเหมือนกันนะที่ชีวิตจะราบรื่นไปซะทั้งหมดแบบแบบเหมือนอะไรนะเหมือนน้ําที่ไร้คลื่นล ม, มนะจนนี่ที่เรียกว่าโอ้ยน้าแผ่นน้นํานี่เงียบสงบอย่างกับแผ่นกระจกงั้นน่ะ <c oughs> หายาก ชีวิตของเราจริงๆบางทีมันมันไม่ราบเรียบอย่างนั้นหรอกออยังอาจารย์มาเองเนี่ยก็บางทีเคยพูดให้พวกเราฟังอยู่บ่อยชีวิตจริงๆไม่ค่อยไปโลดโผนอะไรจนมากมายนักนะนะจริงๆจะถือว่าก็ค่อนข้างสงบสงบพอสมควรแต่ขนาดอย่างนั้นนะ่ะยังเคยมานึกย้อนดูตัวเองเออจริงๆเนี่ย จะตายกันมาหลายหนแล้วนะหลอดตายมาได้เงี้ยคือไม่จะไปอะไรกับใครหรอกเางที่ะนะอุบัติเหตุบ้างไอ้นั่งบ้างไอ้นี่บ้างเจ็บป่วยบ้างเออจะตายได้ฮะทั้งหลายทีคือเพียงแค่นึกแค่เรื่องแค่นี้นะยังไม่ต้องไปแบบต้องไปยุ่งอะไรกับใครมากอบอกเออจริงเราก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นได้ไม่น้อยเหมือนกันนะ อ่าตอนนี้ในเมื่อชีวิตคนเรามันเป็นอย่างนั้นนะบางครั้งมันก็มีอ่ะคนเราบางทีก็เจองานเบาบ้างเจองานหนักบ้างบางทีก็ขี้เกียจบ้างนะก็จะมีวันนี้เราจะมาลองฟังชาดกนะชื่อว่ากันหะชาดกนำะมาตั้งเป็นภาษาไทยเองว่าทํางานหนักเพื่อโลกนะขึ้นต้นเอาไว้ว่า ตัวอย่างคนดีในโลกชุ่มโชคหยาดเหงื่อเสียสระสู้งานหนักไม่ลดละภาระนี้เพื่อผองชนก็เรื่องตามชาดกนะต้นเหตุที่มาของเรื่องนี้ก็เหตุเกิดที่ณนะรงธรรมสภาคำว่าโรงธรรมสภาเนี่ยสมมุติอย่างเนี้ย ถ้าที่ไหนเนี่ยที่ภิกษุหรือว่าคนที่ปฏิบัติธรรมมาอยู่ร่วมกันมาอยู่ร่วมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งพอมาอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยคนที่ถือว่าเป็นคนดีและถือว่าเป็นคนมีศีลเมื่อมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมีการพบปะมีการพูดคุยจากพูดคุยก็คงพูดอยู่ในกถาวัตถุนะคื อ, อพูดเรื่องที่มันเป็นไปเพื่อทางทางธรรม อาจจะพูดทางโลกนะแต่เรื่องทางโลกที่พูดก็พูดเพื่อที่จะให้ละนายจางคายเพื่อที่จะให้หันเข้ามาสู่ทางธรรมเพราะฉะนั้น เ, เมื่อมีการประชุมกันคําว่าประชุมนี่หมายถึงว่าคนจํานวนหลายๆคนเนี่ยมาร่วมกันเขาก็เรียกว่ามาชุมนุมหรือว่ามาประชุมกันเสร็จแล้วก็มีการพูดคุยกันนี่แหละเราจะเรียกสถานที่นั้นว่าธรรมสภา เป็นสภาของผู้มีธรรมเนี่ยมาอยู่ร่ว ม, วมกันราะเรื่องนี้เกิดที่ธรรมสภาภิกษุทั้งหลายกำลังสนทนากันถึงพระคุณของพระาศาสดาอยู่นะตอนนี้เป็นเรื่องที่ภิกษุเนี่ยคุยกันท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแบกภาระของภ า, าระเกื้อกูลโลกกระทางานหนักนัก อย่างที่ไม่สามารถหาผู้ใดามาเสมอเหมือนได้เลยคือคุยกันเนี่ยกำลังยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ายอดเยี่ยมที่สุดละนะเป็นผู้ที่มาช่วยเหลือโลกเอาไว้เนี่ยนะโลกที่เราอยู่เนี่ยแหละนะชนิดที่เรียกว่าโอ้โหต้องทำงานหนักมากไม่มีใครเนี่ยที่จะเปรียบเท่ากับพระพุทธเจ้าได้แม้แต่ครูทั้งห ก็มิอาจนำมาเปรียบได้ช่างหน้าอัศจรรย์ยิ่งไม่รู้เข้าใจั้มคําว่าครูทั้ง6คือบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดเลยครูทั้ง6่ะเรียกว่าอย่าเอามาเทียบเลยไม่มีทางอันนี้เราดึกนในสมัยพุทธกาลคือจะมีเกจิอาจารย์อื่นๆนะ่อีกหลายท่านเลยที่ดังๆเนี่ยมีอีก6นะในสำนเนาพระไตรปิฎกมักจะเรียกว่าครูทั้ง6 อาอย่างเช่นมีใครบ้างอะปุรณกัตสปะมัคคลริโคสารอชิตาเกตกัมพลปากุทธะกัจจายนะแล้วก็สัญชัยเวรัฐบุตรนิคนนานินินคนทนาทบุตรเนี่ยเราบางชื่อเราอาจจะคุ้นคุ้ น, นหูอยู่นนเนี่ยจะมีอยู่6ท่านที่ในสมัยพุทธกาลก็ถือว่าเออเป็นเจ้ารัติ มีชื่อเสียงพูดง่ายมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งภิกษุคุยกันอยู่เนี่ยบอกว่าครูทั้งหกเนี่ยไม่ต้องเอามาเทียบเลยไม่ต้องพูดถึงอะ่ะยิ่งจะพูดถึงเรื่องเกื้อกูลโลกช่วยเหลือโลกเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหยากมากๆเพราะอะไรทําไมไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าครูทั้งหดนี่มามาช่วยเกื้อกูลโลกเพราะอะไร เพราะพวกครูเหล่านี้มีทิฏฐิที่ยังไม่ชาทิฏฐิอยู่เลยเอา่างเช่นอย่างเนี้ยเจ้ารัตทีบางรัตทีเอามีทิฏฐิว่าฮะทิฏฐิต่างๆ่ะเช่นบางทีก็ยังยึดอยู่ในเทวนิยมเงี้ยนะเชื่อเรื่องอะไรอ่ะเทพเจ้าต่างๆเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอากราบไหว้บูชาแล้วจะพ้นทุกข์แล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยอย่างงั้นอย่างนี้ซึ่งอันนี้เยอะมากเลยสมัยโบราณการอย่าว่าแต่สมัยนู้นเลยอาตมาว่าสมัยนี้ก็ยังเนี่ยเเจ้ารัตที่ต่างๆนี่ยังเยอะอยู่เลยนะเชื่อในอะไรอะ่ะ เ, เทวนิยมเนี่ยเยอะมากๆากจนกระทั่งาศาสนาพุทธทุกวันนี้บางที ยังปนเข้ามาเลยเห็นไหเทวัิยมเนี่ยยังปนเข้ามาทั้งที่ทั้งที่พุทธเจ้านี่ถ้าไม่เอาแล้วเรื่องพวกนี้ท่านตัดทิ้งไปหมดแล้วแต่เนี่ยก็ยังเห็นเห็นหมยังฝังมาจนถึงทุกวันนี้ได้ฝังเข้ามาในพุทธนี่แหละมาแล้วเอาบางท่านก็อะไรอะ่ะโอโหโตงมาเลยอย่างพวกนี้โคลนอย่างเงี้ยเป็นยังไงอะ่ะบางทีไม่ต้องดุงหม่มไม่ต้องเหมือนชีปเปื้อยอะ่ะ ไม่ต้องดุ่งห่มไม่ต้องอะไระกินน้อยใช้น้อยทรมานตัวเองนะกินอย่างสุนัข ก, ก็ได้เออยยืนขาเดียวก็ได้อะไรต่ออะไรอะแบบพวกฤาษีชีพายอะไรเนี่ยเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยจะมีมากเลยหรือว่าบางลัทธิก็อ อ, อะไรอะ่ะไม่ต้องไปเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรอะคือใครทาผิดใครทำอะไรเนี่ย ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ความว่างเปล่าใครทําอะไรนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกเออบางลัทธิเขาก็เชื่ออย่างนั้นนะพอจากนั้นใครไปเข้าลัทธิพวกนี้ก็เออมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะ่ะมันอยู่ที่ทําอะไรก็ทำไปเถอะเออเขาก็มีสั่งสอนอย่างนี้ได้ฮะที่บอกว่าใครนะว่าจะศบเรืออะไรอะ่ะที่แบบว่า เ, เวลา ใช้มีดดาบเนี่ยสมมุติว่าฟันคนเนี่ยสมมุติว่าฟันคนขาสองท่อนเลยคนตายเนี่ยนะเขาไม่ถือว่าฆ่าคนอะไรเขาถือว่าก็เหมือนกับฟันไปแล้วก็เหมือนกับข้าวของเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดมันก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้ ว, ลวตายไปแล้วหรืออะไรไปแล้วก็ศูนย์ไม่ได้มีว่ามันต้องมาเบียนตายเบียนเกิดอะไรอีกโอ้ นะเขาเชื่อตามแบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีหัวสมองที่เป็นเหมือนกับเจ้ารัตทีพวกนี้ไม่กลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมอะไรก็ทําอะไรก็ทําไปตามใจชอบที่จะทำเอาจริงๆนะคนในโลกนี้ก็มีอยู่เยอะใช่ไหมเขาไม่ได้ไปศึกษารัตทีพวกนี้หรอกนะแต่เขานั่นแหละอยู่ในรัตทีพวกนี้อาจจะเป็นาศาสดาซะเองก็ได้ในรัตทีนี้คือไม่เชื่อหรอกความดีความชั่วไม่สําคัญ ไม่สนใจเพมันทําอะไรก็ทำไปเหอะอยากจะทําก็ทกําไปในที่สุดในโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าเพียงอย่างเดียวบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีเพราะฉั้นทำอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในพวกครูทั้งหเนี่ยก็จะมีทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรพวกนี้อยู่เยอะเพราะนั้นภิกษุเนี่ยคุยกันแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหพวกเจ้าลทัทธิพวกนี้ ม่ต้ อ, อามาเปรียบกับผู้เจ้าเลยคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ช่วยเหลือโลกอะไรเลยไม่เพียงแต่ไม่ช่วยเหลือเป็นยังไงอีกถ้าใครไปเข้าลัทธิพวกนี้มีแต่จะยิ่งทําให้คนวิจชาทิฏฐิหนักขึ้นแล้วมันก็ยากเย็นแสนเข็นมาถึงทุกวันเนี่ยจริงๆผู้เจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่าท่านต้องหนักท่านต้องเหนื่อยท่านต้องลําบากเนี่ยนะไม่ใช่เพราะการสอนไม่ใช่เพราะอะไรหรอก แต่ที่หนักที่เหนื่อยที่ลำบากอยู่เนี่ยเพราะคนพาเคาว่าคนพานเนี่ยคือคนโง่เขลาคนที่ยังอวิชชาคนที่ยังหลงผิดอยู่เพราะจะเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่กับพวกเนี้ยส่วนคนดีๆเนี่ยแบบว่ามีความคิดเห็นหรือว่ายังมีสัมาทิฏฐิอยู่บ้างเนี่ยท่านมาเทศท่านมาสอนเดี๋ยวก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่หมอันนี้ท่านไม่เหนื่อย แต่ที่เหนื่อยก็คือพวกคนผ่านที่มันมันไม่เพียงแต่มันไม่เชื่อถือไม่เชื่อฟังเท่านั้นน่ะมันยังตะโต้ตามจะคานแยงเพอเพ่อมันจะยกพวกมาทําร้ายทําลายเอาด้วยถ้าจะลําบากก็ลําบากก็คนพวกนี้นะเหมือนแม้แต่ไม่ต้องอื่นไกลอะ่ะเราก็จะเห็นหลายหลายคนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่เป็นคนดีซึ่งเราก็ ชัดเจนแล้วว่าเออท่านผู้นี้ดีจริงๆริแต่เห็นไหมล่ะลาบากตรงไหนลาบากตรงโอ้โหโดนคนต่อต้านเพราะไม่เห็นด้วยนะย้อนแยง้งเสร็จแล้วก็เลยมาทำลายทิ้งซะยกพวกยกอะไรต่ออะไรมาทำลายราะเนี่ยจะลาบากก็อยู่ที่ตรงนี้แหละอันนี้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็เลยคุยกันบอกเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยที่จะต้องแบกภาระจ ะ, จะเกื้อกูลโลก จะทำงานหนักก็อย่างนี้แหละนะแล้วก็ผู้เจ้าท่านก็เสียสละจริงจริงนะเพราะว่าสิ่งที่ยากเนี่ยคือการที่จะต้องมาสอนคนเนี่ยจากมิจฉาทิฏฐิเนี่ยให้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาใช่ไหมแต่คนนั้นต้องมีเชื้อต้องมีเชื้ออยู่อยู่บ้างนะไม่มีเชื้ออยู่บ้างเนี่ยผู้เจ้าไม่สอนหรอกประเภทไม่มีเชื้ออยู่บ้างเลยไม่สอนนะสอนไม่ไหวมันจะต้องมีเชื้อที่จะรับได้ เชื้อในด้านที่ดีเนี่ยที่ว่ า, าสอนไปบอกไปแม้ว่าจะลําบากหน่อยแต่พอสอนแล้วก็จะรู้ขึ้นมาแล้วก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเพราะฉนั้นตัตมาถึงได้บอกไปบ่อยว่ า, อาตอนแรกพุทธเจ้าถึงได้ไม่ไม่คิดจะสอนคนเลยเพราะท่านเห็นว่ามันลําบากใครจะรู้ได้เนี่ยธรรมะอันอันอันเป็นการขัดเกลารธรรมะที่ต้องให้ฝืนกิเลสของตัวเองเนี่ยพุทธเจ้ารู้เลยว่าโอ้โหนี่มัน จะไปให้คนทานี่มันลำบากมากแต่ในที่สุดท่านก็เห็นว่าเออคนที่ที่มีทุรีในดวงตาน้อยเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ยังมีกิเลสน้อยเนี่ยมาไม่หนานักอะ่ะยังยังพอมีอยู่เพราะฉนั้นท่านยอมสอนคนเนี่ยหรือพูดง่ายว่ายอมที่จะมาสร้างาศาสนาพุทธขึ้นมานยอมที่จะแบกภาระหนักแล้วอันนี้นี่ท่านบอกไว้เลยนะว่า ถ้าท่านจะบริญิพานไปเนี่ยต่อเมื่อท่านสามารถที่จะทําไงได้ก่อนนะสร้างอะไรขึ้นมาให้ได้ก่อนอา่าพุทธบริษัทนะอย่างน้อยจะต้องมีมีใครนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแลนะอย่างน้อยเนี่ยจะต้องสร้าง บุคคลเหล่านี้แล้วก็จะปริิพันธ์ต่อเมื่อบุคคลเหล่านี้ไปยังไง <c oughs> เนี่ย พ, พ, พิกษุนีอ่ะพิกษูภิกษูนีบาสกอุบาสิกาเนี่ยบุคคลเหล่านี้อย่างน้อยจะต้องไปยังไงผู้เจ้าถึงจะปริิพันธ์ได้ถึงจะยอมอะต้องรู้รู้แล้วละ่ะต้องแข็งแรง <c oughs> แหละแหมตอบตอบยอดเยี่ยมมากเลย <c oughs> ต้องแข็งแรงยังไงอ่ะยังไงถึงจะเรียกว่าแข็งแรงนะ อย่างน้อยก็ต้องมีผู้บรรลุธรรมขึ้นมาใช่ไหมผู้ที่ลดลายกิเลสมาได้แล้วก็สามารถที่จะไม่แค่แค่บรรลุธรรมนะสามารถที่จะเป็นไงก็บรรลุธรรมได้ก็ต้องทำตามได้อยู่แล้วล่ะ <c oughs> อย่างน้อยสามารถที่จะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอะไร สามารถสอนคนอื่นต่อได้เออแหมก็ อ, อยังชั่วนีต้องให้เด็กสามารถจิตขาตอบแต่ท่านใช้อีกคำว่าสามารถที่จะปรับประวาตะกับกับคนอื่นได้เพราะว่าการจะสร้างศาสนาจริงขึ้นมาเนี่ยมันยากบอกเลย ว, ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเกิดขึ้นมาท่ามกลางโอ้โหคุณดูสิเจ้าลทัทธิศาสนาอื่นเนี่ยเต็มเบี้ยแย่ไปหมดแล้วเขาก็เชื่อแบบเก่าๆ เ, เชื่อแบบผิดๆ ฝังหัวมาเป็นจารีเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วแล้วจากนี่จะจะสร้างคนดีขึ้นมาใช่ไหมถ้าเป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยกลุ่มหนึ่งแล้วนะแต่คนดีกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยืนหยัดยืนยันไม่สามารถที่จะพูดไม่สามารถที่จะบอกไม่สามารถที่อธิบายให้ใ ห, ให้ให้แบบว่าอะไรอะ่ะให้เผยแพร่ให้ขยายให้สืบต่อสืบทอดต่อต่อ ต, อตอกันมาได้ก็ด้วนเท่านั้นเอง สศาสนามันก็มันก็จูอยู่แค่นั้นมันก็จบพอหมดยุคผู้เจ้าบางทีก็จบแต่สีทางนี้เพราะนั้นจะต้องสามารถที่ปรับประวาธาเนี่ยหมายถึงว่าสามารถที่จะกล่าวแก้สามารถที่จะโต้กับคนอื่นไม่ใช่โต้วาทีนะแต่สามารถที่จะโต้กับคนอื่นโดยใช้เหตุผลใช้อะไรที่ทำให้คนอื่นเนี่ยซึ่งบางทียังพอจะมีทุลีในดวงตาน้อยบ้างเนี่ย เออพอได้ฟังคําพูดได้ฟังเหตุผลอย่างนี้แล้วเออยอมรับเข้าใจขึ้นมาก็จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจที่จะ อ, อ่ารู้ในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้เพราะอย่างนี้เมื่อเกิดบุคคลอย่างนี้ขึ้นมาในพระพุทธศาสนาได้แล้วพระเจ้าถึงจะยอมที่จะปรินิพพานไม่อย่างนั้นไม่ยอมเพราะมารเนี่ยตามประไตบปิดกเนี่ย มานเนี่ยจะมาขอพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเนี่ยเมื่อไหร่จะปรีดีพานสักทีเมื่อไหร่จะไปปรีดิพานสักทีมาถามพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเราคงเข้าใจใช่ไหมคําว่ามาเนี่ยมาถามพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยว่าเมื่อไหร่จะปรีดีพานสักทีหมายความว่ายังไงก็อาตมาบอกแล้วว่าแม้มันก็ต้องหนักมันก็ต้องเหนื่อยใช่ไหมในการที่จะสู้กับเจ้าลัทธิต่างๆในการที่จะบอกสอนมีลูกจีบลูกหาขึ้นมามีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ย มันหนักมันเหนื่อยนะแล้วพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเป็นไงแล้วจริงๆท่านสบายของท่านอยู่แล้วอะจะแม้ท่านไม่ต้องมาเหนื่อยท่านไม่ต้องมาลําบากที่ต้องโอโ้โหมาสอนคนอะไรเยอะแยะๆหรอกเพราะนั้นมานมาดนใจเนี่ยพุ้ยง่ายบอกเลิกสอนทันทีเถอะ <c oughs> นะท่านควรที่จะอยู่เฉยๆหรือว่าท่านอยู่สบายสบายของท่านได้แล้วแล้วก็รีบไปรีบนี้ผ่านก็คือรีบรีบไป <c oughs> จากโลกนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะ เข้ามาแว็บเข้ามาอยู่เรื่อยแวบบเข้ามาอยู่เรื่อยเพราะว่าถ้าหยุดไม่ต้องไปสอนคนอื่นเนี่ยไม่ต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากก็สบายเท่านั้นเองระดับพระพุทธเจ้าอะ่ะกิเลสไม่มีแล้วอะ่ะก็สบายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเพราะอย่างนี้แหละใช่ไมมานมันมถึงจะมาดนใจแต่ระดับแหยิ่งระดับพระพุทธเจ้าแล้วถึงบอกในที่สุดเนี่ยท่านก็ไล่มานทิ้งไปอยู่ตลอดแล้ว มันก็ไล่ทิ้งไปไล่ไล่ทิ้งไปจนกระทั่งนะถึงเวลาที่พระเจ้าท่านเห็นว่าเออ พ, พุทธบริษัททั้งหลายนี่แข็งแรงเพียงพอแล้วที่จะสืบทอดศาสนาต่อไปได้อีกยาวไกลเท่าที่จะยาวไกลได้ท่านถึงจะบาลีผ่านนะก็จะเป็นลักษณะนี้อานนียก็เลยปรากฏว่าพวกภิกษุทั้งหลายก็เลยแหมชื่นชมยกย่องพรเจ้าว่าโอโ้เป็นผู้ที่ อะไรอ่ะทำงานหนักทำงานเหน็ดเหนื่อยที่จะสร้างศาสนาขึ้นมาพอดีพระศาสดาเสด็จมายังพระเชตวันมหาวิหารแสดงว่าที่คุยกันอยู่นี่คือคุยกันที่พระเชตวันมหาวิหารนะเสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุมูใหญ่แล้วตรัสถามถึงเรื่องที่ภิกษุสนทนากันอยู่เมื่อทรงทราบเรื่องราวนั้นแล้วจึงได้ตรัสว่า ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตไม่ใช่กระทํางานหนักเพื่อกูลโลกเพียงแต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราได้เคยเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานก็ไม่มีใครสามารถกระทํางานหนักเพื่อผู้อื่นเสมอเหมือนเราได้เลยพรนะพุทธเจ้าก็เลยบอกโอกไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะท่านทํางานหนักมาเนี่ยทำงานหนักที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขา้าชช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือประเทศชาติหรือช่วยเหลือคนในโลกนี้โอ้ท่านไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทําเดี๋ยวนี้ท่านต้องทําบําเพ็ญต้องสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆวันท่านก็เลยพูดย้อนไปว่าในอดีตชาติเนี่ยนะมีอยู่ชาตินึงนท่านเคยไปเกิดเป็นสัตว์ท่านก็ทํางานหนักมาแล้วเพื่อคนอื่นเนี่ยก็ทํางานหนักมาแล้วนะแล้วทรงตัดเล่าเรื่องราวนั้น อาล้วนะข้อนี้ก็จะเข้าสู่กันหะชาดกในอดีตการหญิงชลาคนหนึ่งฐานะยากจนมีเรือนเก่าประจำตระกูลของตนเป็นที่พักอาศัยแต่ได้มีเจ้าของโคคนหนึ่งมาขอเช่าเรือนบางส่วนอยู่ชั่วคราวโดยจะจ่ายค่าเช่าให้แก่หญิงชลาเป็นลูกโคสีดำสนิทตัวหนึ่งตามให้ทันนะ คั้นถึงเวลากำหนดหมายถึงว่าว่าเช่าจนถึงเวลาที่เขาจะออกไปละหญิงชลาจึงได้เป็นเจ้าของลูกโคตัวนั้นเพราะความจนนางได้เลี้ยงลูกโคด้วยข้าวยาคูจำได้หรื อ, อยังข้าวยาคูคืออะไรข้าวยาคูคือคือก็ไม่ได้เป็นคนมีเงินทองอะไรเป็นคนยากจนเพราะนั้น เลี้ยงวัวเนี่ยไ อ, อ, อ้ปล่อยไปกินหญ้ากินอะไรก็กปล่อยแหละนอกนั้นก็คือเอาข้าวยาคูเลี้ยงเลี้ยงลูกวัวตัวนี้ข้าวยาคูคือข้าวต้มใส่อะไรนะใส่ถัว่วใส่อะไรอีกใส่งาจริงๆแล้วก็คือข้าวต้มถ้าพูดง่ายๆนะข้าวยาคูก็คือข้าวต้มเพียงแต่ว่าถ้าพิเศษพิเศษเนี่ยก็หมายถึงว่า ข้าวนี่จะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือข้าวแหละคุณคุณนึกง่ายๆเลยคุณจำง่ายๆสูตรที่เราชาวอาโศกเนี่ยมักที่จ ะ, ะเสนอหรือว่าแนะให้พวกเราที่มาฝึกมาปฏิบัติธรรมกอกแนะเลยว่าคุณจะต้องกินอย่างนี้คืออะไรข้าวทัวงาคุณจาไว้เลยเนี่ยคือสูตรของข้าวยาคูนะข้าวทัวงา แต่แต่ตามในพระไตรปิฎกเนี่ยข้าวเขาเขาเขาเขาเขาใช้คําเดียวอย่างนี้แต่สําหรับเราเราก็เอาให้สมบูรณ์ก็คือข้าวกร ong ใช่ไหมอา้าวถั่วในนั้นในพระไตรปิฎกนี่บอกว่าถั่วเขียวแต่ของเราเราทุกวันนี้เราเอาเป็นถั่วเหลืองใช่ไหมอ่าแต่มันก็ถั่วเหมือนกันแหละไม่เป็นไรอ่าแต่ว่างาเนี่ย เ, เหมือนกันงานว่าเนี่ย คุณจำไว้เลยนี่คือสูตรแบบของข้าวยาคูเพียงแต่ต่างกันตรงที่เรียกว่าข้าวยาคูเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนข้าวต้มทุกวันนี้ที่เรากิน อ, อะไรนะข้าวข้าวต้มเครื่องข้าวต้มอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นข้าวต้มชนิดที่เรียกว่าเหลวอะ่ะเป็นแบบน้ําอ่ะเป็นแบบน้ำํำน้ำาสามารถที่จะยกแบบ ดื่มได้เลยอ่ะเหมือนแต่ไม่ใช่แบบข้าวอาร์ซีไอกลายเป็นน้ำใสๆมาอย่างเดียวนะแต่ว่านั่นแหละมันจะมันจะคล้ายแล้วขนาดนั้นแต่อาร์ซีเขามีอะไรบ้างอ่ะอาซีที่เขาต้มที่เขาสูตรเขามีอะไรบ้างนะมีข้าวกล้องใช่ั้ยลูกเดือยข้าวสาลีข้าว b ข้าวโอ๊ตเอาข้าวอะไรเา ข้าเหนียวด้วยเหรออ้าวข้าเหนียวกล้องแล้วอะไรอีกเม็ด บ, บั ว, บวเออของเขาเนี่โอ้โหไม่รู้กี่ชนิดเนะเออไอข้าวอาร์ซอ่ะ อ, อันนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาก็เอามารวมๆกันใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปต้มแล้วเขาก็เอาน้ำมาดื่มใช่ไหมอันนั้นมันเป็นแบบน้ำเลยนะเป็นแบบน้ำใสไปเลยแต่อันนี้เป็นแบบข้าวต้ม เป็นแบบข้าวต้มแต่เป็นข้าวต้มชนิดที่ว่ า, ามันไม่ได้ข้นแบบอะไรอ่ะเป็นเปียกนะหรือไม่ได้ข้นแบบชนิดเป็นเม็ดๆโอ้โหชนิดเ อ, เ, อเอาตักใส่ปากแล้วเคี้ยวงมๆอันนี้ไม่ต้องอันนี้สามารถดื่มได้ต้มเละๆต้นเป็นน้ำๆเลยนั่นแหละอันเนี้ยเขาเรียกว่าข้าวยาขูเพราะฉะนั้นหญิงชราคนนี้ก็ เอาข้าวยาคูนี่เลี้ยงลูกโคตัวนี้เลี้ยงลูกวัวตัวนี้ตั้งแต่เล็กมาเลยก็จริงๆพระเจ้าเคยตรัสถึงประโยชน์ของข้าวยาคูเค ย, ยยินไหมที่ประโยชน์ของข้าวยาคูล้สึกตั้งกี่กี่ประการนะไม่รู้ถึง1ิบหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกจะ10สิบหัวข้อทีเดียวนะนั้นมาก็ไม่ได้ไปไห น, หนานๆแล้วเลยจาได้ไม่หมดหรอก นีแต่ก็เนี่ยจะทําให้โอ้โหเยอะแยะเลยนะทำให้แข็งแรงทําให้อะไรอะทนทนอยู่ได้นานทําให้อะก็เพราะนี่อะไรย่อยได้ดีะระบบอะไรอย่างๆโอ้ผู้เจ้เจ้าเนี่ยตัดถึง10ข้อทีเดียวเพราะจะให้เห็นเลยว่าประโยชน์ของข้าวต้มเนี่ยสูงนะประโยชน์ของข้าวต้มเนี่ยสูงฮะ ก็ใช่ทีก็ข้าต้มอะไรกันก็กข้ายาคูอะไรก็คือเข้าต้มนะแต่นี้ก็เลยปรากฏว่าจนก็จริงใช่ไหมแต่ว่าก็ใช่อย่างเงี้ยเลี้ยงโคตัวนี้ก็เลี้ยงไปจนตั้งแต่เล็กๆ เ, เลยนะแต่ก็รักและเอาใจใส่ดูแลเสมือนดังเป็นลูกของนางเองเลยทีเดียวโคนั้นจึงได้ชื่อเรียกขานว่าไอยิกาการกะอันะนี้เป็นชื่อชื่อ ลูกโคตัวนี้ชื่อว่าอายิกาการก ะ, อ, ะอายิกาเนี่ยจริงๆก็คือญ้าหรือว่ายายอายิกาการกะนี่ก็คือดำมันน่าจะแปลว่าไงอายิกาการกะอาตมาแปลเองนะไม่รู้ถูกบาลีเขาหรือเปล่าอัตมาก็แปลว่าเจ้าดำของยาย เจ้าดําของยายคือคือพูดง่ายว่าเขาได้ลูกโคตัวนี้มาใช่ไหมพอเพราะไอ้ได้ค่าเช่ามาเนี่ยเสร็จก็แล้วเลี้ยงแต่เล็กก็เลี้ยงเอาเขาต้มเลี้ยงเลี้ยง <ười> เลี้ยงพวกชาวบ้านเจ้าช่องก็โอ้โหเนี่ยแม่รักอย่างกับลูกตัวเองเลยนลั่งเลี้ยงดูมาเรื่อยคนอื่นก็เลยพูดง่ายว่าตั้งชื่อให้เลยว่านี่ยเอ๋อไอ้นี่มันเจ้าดําของยายรักเอ็นดูเหลือเกินลูกโคลูกโคดํา นับวันจะเติบใหญ่ขึ้นเป็นโคหนุ่มมีพาระกําลังมหาศาลเป็นโคอาชาไนตามให้ทันนะแป๊บเดียวแล้วนะโตแล้วนะตอนที่เป็นโคหนุ่มและมีกําลังมหาศาลเรียกว่าเป็นโคอาชาไนพวกเราจะยินคําว่าอาชาไนเนียมาบ่อยแล้วถูกไหมแต่พอจะยินคําว่าอาชาไนทีไรนึกนึกอะไรทุกที นึกถึงม้าอาชาในใช่ไหมเพราะว่าอาชาก็แปลว่าม้าใช่ไหมส่วนใหญ่นะเราก็เลยไปนึกอยู่แต่ว่าเออถ้าพูดถึงอาชาในก็คือม้าอาชาในแต่จริงๆคําว่าอาชาในเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐแปลว่าผู้ประเสริฐหรือว่าหรือว่าพูดง่ายๆว่าเหมือนกับชั้นเยี่ยมถ้าเป็นม้าก็หมายถึงว่าแหมม้าชั้นพันพันดีอะม้าพันเยี่ยมม้าฉลาดม้า ชั้นยอดอะไรอย่างนี้หมายถึงอาชาในเพราะฉะนั้นคําว่าอาชาในเนี่ยจะไปเรียกอย่างอื่นก็ได้จะไปใช้กับช้างก็ได้ก็เรียกว่าช้างอาชาในอ่าแล้วนี่มาใช้กับวัวก็เรียกว่าวัวอาชาในก็วัวก็โคแหละแล้วก็เลยเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหคราวนี้เอ อาชาไยถ้าเรามาใช้กับโคเราก็เรียกว่าโคอาชาไยคือแหมเป็นโคฉลาดเป็นโคชั้นเยี่ยมเป็นโคพันดี เ, เนี่ยเรียกโคอาชานไยถ้ามาใช้กับคนก็เรียกแหมแหมพอบอกว่าถ้าเรียกกับคนก็คนอาชานไยคุณเคยจะยินเหรอเขาเรียกอย่างเงี้ยคนอาชาไนนะถูกจริงๆไม่ผิดหรอกนะแหมลองย้ําเข้าไปดูหน่อยแล้วนั่นเอง แต่เขาไม่ค่อยใช้คำว่าคนอาชาในาเพราะมันไม่เพราะเขาใช้ว่าบุรุษอาชาในา